เราที่อยู่ที่นี่แม้ว่าจะต่างเพศต่างวัยต่างสถานะต่างประสบการณ์และต่างอะไรอะไรอีกมากมายนะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่เหมือนกันนะก็คือว่าเราทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่โชคดีเนะพียงแค่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะ แล้วก็มีชีวิตมาถึงวันนี้เนี่ยนะก็ไม่ใช่ง่ายนะัวกเราก็ไม่ใช่แค่คนอายุสิบขวบยี่สบขวบวก็สามสิบสี่สบางคนก็เจ็ดสิบแปดสิบแล้วมามีชีวิตถึงปูนนี้เนี่ยต้องเรียกว่ามีโชคนะแล้วก็ยังได้มีโอกาสมาปฏิบัติธรรมที่นี่ ถึงแม้ไม่ได้ปฏิบัตินะเพียงแค่เรามีกินมีปัจจัยสี่ไม่ต้องดิ้นรนหาอาหารนะไม่ต้องหิวโหวยนะไม่ต้องไปหลบแดดหลบฝนนะตามที่ต่างๆอันนี้ก็ถือว่าโชคแล้วล่วลวนะมีคนที่ยังเดือดร้อนยังหิวโหวยนะมากมาย พวกที่พลัดทินาคาที่อยู่ก็นับไม่ถ้วนไม่ใช่เฉพาะที่ประเทศต่างๆที่ต่างๆเท่านั้นแม้กระทั่งในบ้านเรานะคนที่พลัดทินาคาที่อยู่ก็มีมากถ้าเรามองดูดีๆเนี่ยเรานี่นับว่าโชคดีจริงๆนอกจากจะมีอาหารการกินแล้วก็ ไม่ถึงกับดิ้นหล่นนะบองคนเขามีกินก็จริงนะแต่ว่าก็ต้องดิ้นหลนมากทำงานวันละนะสิบกว่าชั่วโมงบางทีก็ยี่สิบชั่วโมงก็มีนะปากกัดตีนถีบให้เรานีนะ่มีกินแม้จะไม่ครบสามมื้อนะแต่ว่าก็ไม่หิวโหวยนะไม่ใช่เพราะว่าขาดแคลนนะถึงไม่มีกินครบสา ม, มื้อนะแต่เพราะว่าเราต้องการขัดเกลา นะฝึกฝนตนหลายคนก็ไม่ต้องทําอาหารนะไม่ต้องไปอทํางานในโรงครัวเพื่อมีอาหารมาเลี้ยงตัวเราก็แค่อยู่นะอยู่ปฏิบัติหรือว่าอยู่เฉยๆนี่ก็มีกินแล้วนะอันนี้จะไม่เรียกว่าโชคแล้วจะเรียกว่าอะไรนะแต่ว่าโชคของเราเนี่ยนะมัน มันก็มีอายุนะมันมีวันหมดอายุนะเรีว่าเอ็กนะถ้าเป็นยาก็เรียกเอ็กซ์ปายถ้าเป็นนมเปี้ยวก็เหมือนกันก็เอ็กซ์นะโชคเราก็เหมือนกันนะมันก็จะมีวันหมดอายุเมื่ออายุยังไงนะก็คือตายนะอันนั้นก็เรียกว่าอ่าสิ้นบุญนะจริงๆโชคที่เราที่ทําให้เรามีชีวิต หรือมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะมันก็เกิดจากการที่เราสร้างบุญสร้างกุศลมาถ้าเชื่อเรื่องชาติที่แล้วก็นั่นหมายความว่าเราได้ทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลมาตั้งแต่ชาติที่แล้วนะเรียกว่ามีปุปเปกตาปุญจะตานะมีบุญที่ทําไว้ก่อนก็เลยทำให้ได้มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มีชีวิต ยืนยาวไปถึงวันนี้ไม่ใช่ว่าเกิดเป็นมนุษย์แค่สีห่หวันแล้วก็ตายหรือว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้เจ็ดแปดปีแล้วก็เสียชีวิต น, ะนี่เราก็ได้เติบโตเราก็ได้ผ่านโลกมาก็ได้เห็นอะไรมากมายจนกระทั่งได้รู้จักพุทธศาสนาได้เห็นธรรมะนะแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะมาปฏิบัติธรรมได้เพียงแค่ สังขารร่างกายมันมันเอื้อให้เราเนี่ยมาถึงนี่ได้นะอันนี้ก็เป็นโชคอีกอย่างหนึ่งนะหลายคนอยากจะมาแต่มาไม่ได้เพราะว่าสังขารไม่อำนวยนะเจ็บป่วยบ้างมาหรือบางทีก็มีภาระนะมีภาระเรื่องลูกมีภาระเรื่องพ่อแม่อันนี้ก็ถือว่าเราโชคดีกว่าเขานะแต่ก็อย่างที่บอกนะว่าโชคที่มีนะมันก็จะมีวันหมดอายุนะ มันก็จะมีวันสิ้นสุดนะเพราะว่าถึงวันหนึ่งก็ต้องเจ็บต้องป่วยเดินเหินก็ลำบากนะแล้วในที่สุดก็จะต้องหมดลมนะคือตายไอ้ก่อนที่ถึงตรงนั้นเนี่ยนะมันก็จะมีความสูญเสียพัดพราดเกิดขึ้นกับเราเป็นระยะระยะ ทีละอย่างสองอย่างทีละคนสองคนนะคนรักนะนั้นถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะปล่อยให้โชคของเราหมดไปเรื่อยๆนะมันก็ถือว่าเสียประโยชน์นะปล่อยโอกาสทองให้หลุดมือไปในขณะที่เรามีโชคพาตัวเราได้มาพาตัวเรามาถึงที่นี่แล้วก็มีกำลังวังชาที่จะทำความดีรวมทั้งการปฏิบัติธรรม แล้วก็ให้ใช้โอกาสดีๆอย่างนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์คุ้มค่านั่นคือการาฝึกฝนตนปฏิบัติธรรมในแง่หนึ่งก็เป็นการต่อบุญต่อกุศล น, นะหรือว่าเป็นการสร้างบุญกุศลเพิ่มพูนขึ้นนะซึ่งมันก็จะมีในสงฆ์ะนะในภายภาคหน้า ไม่ต้องลอยไปถึงชาติหน้านะมันจะมีผลในชาตินี้ด้วยแต่ว่าถ้าทำความดีเพียงแค่ทำบุญอย่างทั่วๆไปมันก็ไม่พอนะมันต้องรวมถึงขั้นที่ฝึกฝนจิตใจนะให้มีสติให้มีปัญญาด้วยเพราะว่าสติและปัญญานี่แหละนะที่จะช่วยเราได้ในยามที่เจอปัญหาเจออุปสรรค ในยามที่โชคเลือนหายมีเคราะห์มาแทนที่นะบางครั้งบางช่วงเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะมีโชคไปตลอดนะมันก็มีเคราะห์ตามมาหรือว่าตามทันนะก็ต้องเจอนะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีสติเรามีปัญญานะเรามีคุณธรรมมันก็สามารถจะทาใหเราผ่านพน้นเคราะห์เหล่านั้นได้ด้วยดี ผ่านพ้นนี่ไม่ไแปลว่าเคราะหมดนะบางทีเคราะมันก็ไม่หมดนะหรือว่ามันก็ยังตามติดเราไปเช่นความเจ็บป่วยเนี่ยบางโรคมก็ไม่หายนะหรือว่าความพิการเนี่ยที่เป็นเกิดขึ้นเพราะอุบัติเหตุก็ดีหรือเพราะโรคหรือเพราะวัยก็ดีนะบางยามก็ยังอยู่กับเราติดตัวเราไปแต่ว่าในแง่จิตใจนะเราไม่ทุกข์ละ นะทุกพ่ออะไรนะส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันปรับตัวได้หรือว่าอ่ยอมรับสภาพได้นะคนที่ตาบอดนี่ทีแรกเขาก็ทุกนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปเป็นปีสองปีเขาก็ปรับตัวได้นะเพราะว่าธรรมชาติคนเราจิตใจปรับตัวได้เก่งมากร่างกายก็เหมือนกันแต่ยิ่งถ้าเรามีสตินะเรามี มีปัญญาเนี่ยมันก็จะช่วยเร่งให้สามารถจะอ่าข้ามพ้นความทุกข์ไปได้แม้เคราะห์หรือว่าแม้อุปสรรคยังยังมีอยู่ไม่ได้หายไปไหนแต่ใจเราไม่ได้ทุกข์ไปกับมันอย่างอาจารย์กัมพลทองบุญนุ่นเนี่ยก็ยังพิการอยู่จนทุกวันนี้นะแล้วก็ถามเจ็บป่วยนะหนักขึ้นนะแต่ว่านั้นเป็นเรื่องของกายนะแต่ว่าใจเนี่ยไม่ได้ทุกข์ด้วย เพราะว่าท่านได้ใช้ช่วงเวลาอที่ยังทําอะไรได้เนี่ยแม้พิการเนี่ยก็ยังพลิกมือได้พลิกมือไปมานะพอได้ปฏิบัติตามคาแนะนำคุณหลวงพ่อคําเขียนนะทํำด้วยความตั้งใจนะไม่ถึงเดือนก็เห็นผลนะก็สามารถที่จะอ่าเห็นความจริงว่าโอไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นกายทุกมันไม่ใช่เราทุกมันไม่ใช่ ไม่ไม่ใช่เราพิการนะไอ้ที่พิการเนี่ยมันแค่กายพิการใจไม่ได้พิการด้วยจิตเราก็เราจะจิตก็จะเราเออกจากความทุกข์ไปได้เลยนะไอ้การที่คนเราจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่เจอทุกนะหรือไม่ใช่ว่าทุกมันหายไปที่จริงแล้วเนี่ยต้องเจอทุกเนี่ยมันถึงจะพ้นทุกข์ได้นะเพราะว่าทุกเนี่ยมันทําให้เรา เกิดปัญญาได้เหมือนกันนะหรือว่าถึงแม้ยังมีทุกข์อยู่นะแต่ว่ามันเป็นทุกข์กายนะใจไม่ทุกข์ละไอ้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่แค่ทุกข์กา ย, ยาเดียวใจทุกข์ด้วยนะเพราะว่าใจเนี่ยนะมันหลงนะวางใจไม่เป็นเช่นยึดติดถือมัน่นหรือว่าตีโพยตีพายปฏิเสธผักใสวก็ทาให้ทุกข์ทั้งกายทุกข์ทั้งใจ ทุ ก, กายนี่อย่างบางทีไม่เท่าไร่นะทุกใจในต่างหากที่มันทําให้แย่คนบางคนร่างกายไม่เป็นอะไรนะแต่ว่าป่วยป่วยโน่นป่วยนี่นะความดันขึ้นปวดท้องปวดหัวหาสาเหตุยังไงก็หาไม่เจอสาเหตุทางกายนะวัดตรวจเลือดยังไงวัดความดันยังไงก็เอมันก็ไม่มีอะไรผิดปกติในทางกายภาพแต่ปัญหาคือใจต่างหากนะ ใจเครียดใจทุกข์ใจวิตกกังวลหรือว่าโกรธนะไอ้พวกนี้แหละที่มันทําให้ทําให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในาขณะที่เรานี่ไม่มีความเจ็บความป่วยมาคุกคามรบ ก, กวนบ้างก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่เราจะได้นะมาปฏิบัติธรรมเพื่อตาเตรียมเอาไว้นะนะเป็นการตาเตรียมนะ เพื่อพร้อมเปลี่ยนร้ายให้กลายเป็นดีอย่าไปคิดว่าบุญกุศลที่เราทำด้วยการให้ทานถวายสังฆทานทอดพระป่าทอดกระถิ่นเนี่ยม่ทําให้เราเนี่ยนะไม่มีความเจ็บความป่วยไม่มีเคราะห์มารบกวนนางควานนะของพวกนี้มันไม่แน่หรอกนะส่วนใหญ่ก็ต้องเจอทั้งนั้นแหละแต่เจอแล้วทํายังนไงเราถึงจะผ่านมันไปได้นะ ผ่านมันไปไม่ได้ก็คือว่าใจไม่ทุกไปกับมันนะผู้เจ้าตรัส ว, ว่าผู้มีปัญญานะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบนะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบสุขมันก็อยู่ในทุกนั่นแหละนะสุขมันก็อยู่ในทุกขนะหรือว่าทุกนั่นแหละมันเปิดโอกาสให้เห็นความสุขนะที่มันมีอยู่กับเราแล้วจริงๆเวลาเราป่วยเนี่ย ตอนนั้นแหละที่เราตระหนักว่าโอ้ที่จริงนี่ความสุขมันอยู่กับเราแต่เราไม่รู้เราไม่เห็นไม่ตระหนักนั่นคือการที่เราไม่สุขภาพดีถึงเวลาป่วยถึงค่อยรู้ว่โอเราไปให้ของดีมันหลุดมือไปแต่ก็ยังไม่สายนะเพราะว่าคนที่เขาเจ็บป่วยเนี่ยแต่เข้าใจทําให้ใจเป็นสุขได้ไอ้ความป่วยที่เกิดขึ้นนะเขารู้จักจํากัดครอบคุมจํากัดบวงให้มันสุข ให้มันทุกแต่กายนะแต่ว่าใจเป็นสุขนะอาจจะเป็นเพราะว่าความทุกข์มันสอนให้เขาเห็นเลยนะว่าอ๋อนะไอ้ที่ทุกเราที่เราทุกเนี่ยนะมันเพราะเพราะเราไปแบกเอาไว้นะเพราะเราไปบ่นตีโพยตีพายนะหรือไม่เช่นนั้นความทุกข์มันก็ผลักไสให้เขาได้เข้าหาธรรมะนะได้ศึกษาได้ปฏิบัติธรรมนะ ไอ้เวลาปกติธรรมดาสุขภาพดีมีโชคมีลาบก็ไม่เคยนึกถึงเรื่องธรรมะนะเพราะคิดว่าฉันสบายดีอยู่แล้วนะจะปฏิบัติธรรมไปทำไมฉันไม่ได้คนอกหักฉันไม่ได้เป็นคนเจ็บป่วยนะอันนี้เราประมาทประมาทโดยแท้เพราะคิดว่าจะสุขสบา ย, ยางั้นไปเรื่อยๆที่จริงคนเราเมื่อสบายเมื่อไหลเนี่ย นั่นหมายความว่ามันเอื้อนนะมันเป็นโอกาสที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมคําว่าสบายเนี่ยภาษาบาลีก็คือสับายะสบายเป็นภาษาไทยนะั้นมาจากภาษาบาลีว่าสับายะสบายะเนี่ยนะมันหมายถึงว่าสิ่งที่เกื้อกูลสําหรับการปฏิบัติคนส่วนใหญ่เวลาสบายนะก็ก็เพลิดเพลินนะ ในความสบายนั้นเรียกว่านั่งเล่นนอนเล่นนะคนไทยเวลาพูดถึงคําว่าสบายเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเอออยู่เฉยๆไม่ต้องทําอะไรไม่ต้อง อ, อไม่ต้องขวนขวายอะไรแต่ว่าสัปปายะในภาษาบาลีมันแปลว่าสิ่งที่เกื้อนหนุนนะสาหรับการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทําอะไรเลยก็ไม่เรียกว่าสัปปายะนะงั้นะนะสัปปายะเนี่ยที่นี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะ และถึงแม้จะไม่ไม่อยู่ที่นี่ก็ที่อื่นก็มีสัปเพยะที่จะเอื้อให้เราได้ปฏิบัติธรรมประสมกับโชคที่เรามีอยู่นะไม่ว่าจะเป็นอ่วัยก็ดีสุขภาพก็ดีนะหรือว่าอาโอกาสเช่นไม่มีภาระในการที่ต้องดูแลลูกหลานพ่อแมนะ่ไม่ต้องเดื อ, อดร้อนเรื่องการทํามากินนะอันนี้ก็เรียกเป็นโชคที่ทําให้เราสามารถจะ ปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะมันก็ทำได้หลายอย่างนะแต่สิ่งที่หนีไม่สิ่งที่จําเป็นมากนะก็คือการนะฝึกให้นะรู้กายรู้ใจไม่ลืมกายไม่ลืมใจนะจุดหมายของสติหรือหน้าที่ของสติเคลื่อนนี้แหละนะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าลืมกายลืมใจหรือว่าไม่ ไม่รู้จักตัวเองนะไม่หมั่นมองตนแล้วเนี่ยมันก็ทําความดีต่างๆเนี่ยได้ยากนะเพราะคนเราเนี่ยถ้าหากว่าไม่หมั่นมองตนปล่อยให้ความปล่อยให้อกุสนนะความโกรธความเกลียดหรือความประมาทนี่ครอบงําใจเนี่ยจะทําความดีก็ทําความดีได้ลําบากอนสิ่งที่ทําก็ ไม่ใช่ความดีที่สมบูรณ์นะตั้งใจทําความดีอยากจะทําอาหารถวายพระนะแต่ว่าใจลอยนะปรุงอาหารแทนที่จะใส่น้ําตาลก็ไปหยิบเอาขวดเกลือ ม, มาเทลงไปหรือว่ามาเหาะลงไปนะีอาหารก็ไม่อร่อยเสีอาหารก็รสชาติก็แย่อยากจะถวายของประดิษฐ์ถวายพระนะแต่ว่า ผลงานกลับได้ผลงานที่มันย่ำแย่ก็กลายเป็นว่าได้บุญไม่เต็มที่นะแม้เจตนาจะดีก็ตามนะแต่ว่าัตถูประสงค์หรือว่าประโยชน์ที่เกิดขึ้นมันก็บกพร่องไปเรียกว่าเพราะไม่รู้สึกตัวนะเพราะว่าเพลินจมอยู่ในอารมณ์คนเราเนี่ยจะปฏิบัติทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องกลับมานะกลับมา รู้เท่าทันตัวเองนะแล้วก็หมั่นฝึกฝนตนอยู่เสมอหมั่นพินิษมองตนเนี่ยอย่างที่เราสอนมืสักครู่เนี่ยผู้มีปกติเพ่งพินิจย่อมพ้นบ่วงแห่งมารผู้มีปกติเพ่งพินิษมนหมายความว่าผู้ที่หมั่นพินิจตนเองอยู่เสมอหมั่นมองตนอยู่เสมอนะคนเราเนี่ยถ้าไม่มีนิสัยตรงนี้นะเกิดทุกข์ได้ง่าย แล้วเวลาเกิดทุกข์แล้วก็มาจะโทษคนอื่นนะคนเราเนี่ยจะมองเพ่งั่วคนอื่นได้ง่ายมากนะแต่ว่ามองไม่เห็นตัวเองทั้งที่อาจจะทาอย่างเดียวกันนะแต่เวลาคนอื่นทาเนี่ยเห็นชัดส่วนตัวเองทำนี่มองไม่เห็นอันนี้เพราะไม่หมั่นมองตนในชาดกเนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งนะสมัยที่พระเจ้าเนี่ย สวยพระชาติเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็คือผู้เที่ยงไม่ตัดสรู้เนี่ยนะยังเป็นหนุม่มอยู่นะชื่อว่าสุชาตานะสาตาะสุชาตหรือสุชาติก็มีช่วงหนึ่งนะพ่อเนี่ยนะพ่อเนี่ยสูญเสียผู้บังเกิดกล้าวนะก็คือปู่ของสุชาตะเนี่ยพ่อนี่ผูกพันกับผู้เป็นบิดามากนะ พอตายก็เศร้าโศกเสียใจนะแม้กระทั่งเผาเสร็จแล้วเนี่ยนะทําสถูพให้เสร็จแล้วเนี่ยก็ยังเสียใจคล่ําครวญร้องหม่มร้องไห้ไม่เป็นอันทํางานสุชาตาซึ่งเป็นผู้รู่นนี่ก็พยายามนะพยายามเตือนให้พ่อให้พ่อเนี่ยทําใจแต่เตือนอย่างไรอย่างไรก็ไม่เกิดผลนะพ่อก็ยังคลั่าครวญ กินไม่ได้นอนไม่หลับผ่านไปเป็นอาทิตย์นะหรือว่ากล้จะเป็นเดือนแล้วสุชาตาก็ไม่รู้จะทำยังไงนะก็บังเอิญวันหนึ่งเนี่ยวัวนะวัวที่เลี้ยงเอาไว้ตัวหนึ่งเป็นวัวแก่มันตายตายเนี่ยแทนที่จะเอาไปฝังนะสุชาตาก็ปล่อยให้นอนอยู่ยงั้นแหละ แล้วก็ตอนเช้าก็ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวหญ้ามาเพื่อให้วัวที่ตายเนี่ยกินวัวตายมันก็ไม่กินใช่มหมสุชาติก็บอกว่ากินสิกินสิทำไมไม่กินเกี่ยวหญ้ามาให้แล้วทำไมไม่กินพ่อเนี่ยเห็นอยู่อยู่ข้างๆก็เห็นก็ก็พูดกับสุชาตาิว่า ก็วัวมันตายแล้วเนี่ยนะมันจะกินหญ้าได้ยังไงหายามาให้มันเท่าไหร่มันก็ไม่มีวันฟื้นมันตายแล้วทำไมเจ้านี่เป็นคนสิ้นคิดแบบนี้พอพ่อผู้ชนะสุชาตาก็เลยพูดขึ้นมาเลยว่าพ่อวัวเนี่ยนะมันยังมีหัวให้เห็นนะมันก็ยังมีตัวแขนขามันก็ยังมีนะ ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะกินหญ้าได้เนี่ยนะแล้วปูล่ะนะปูเนี่ยนะไม่เหลือแม้กระทั่งล่างละอยู่อยู่ในสถูปเรียบร้อยแล้วแล้วทําไมพ่อถึงคล่ําครวนนะเหมือนกับว่าอยากจะให้ก็าฟื้นคืนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่คนสิ้นคิดเหรอยิ่งกว่าสิ้นคิดอีกนะพูดแรงมากนะ พอ่อที่หญิงก็ได้สติเลยนะโอ้ใช่นะใอ้เราไปว่าลูกก็สิ้นคิดไม่ได้มองดูตัวเองว่าเราเนี่ยก็สิ้นคิดเหมือนกันพ่อตายไปแล้วก็ยังคล่ำครวญเหมือนอย่างว่าอยากจะให้พ่อฟื้นขึ้นมาเราไปว่าลู ก, ว, ลก ว, ว่าลูกว่าว่าลูกก็สิ้นคิดนะเรานี่ยิ่งกว่าลูกอีกพอได้คิดแบบนี้เข้าก็เออหายคร่ำครวญเลยนะอ น, นี้ก็เป็นธรรมดาของมนุษย์นะเวลา เราทำผิดทำพลาดเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นหรอกแต่ถ้าคนอื่นเนี่ยทำอย่างเดียวกันเนี่ยเราเห็นชัดแล้วเราก็ต่อว่าเขาคนหลายคนเป็นอย่างนี้นะอย่างบางคนก็เป็นคนที่นะชอบต่อว่าคนอื่นชอบใช้อารมณ์กับผู้อื่นนะมองไม่เห็นนะแต่เห็นคนอื่นนะอคนว่าคนนั้นคนนี้นี่ปากร้ายนะชอบใช้อารมณ์นะ คอยเพียงโทษนะว่าเขาว่าเนี่ยเป็นคนใช้อารมณ์ชอบอดุด่าว่ากล่าวปากไม่ดีแต่ไม่ค่อยได้เฉลีลวใจ เ, เราเป็นอย่างนั้นด้วยหรือเปล่านะหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะไปว่าคนนั้นคนนี้ว่าไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนีนะ้แต่ว่าไม่ได้กลับมามองตนว่าเราเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน นี่เราถ้าไม่มีไม่มีสติไม่มั่นมองตนนะมันก็จะอยู่ในอีรอบนี้แหละนะการเห็นโทษของคนอื่นเนี่ยนะมันไม่ใช่ว่าเป็นไม่ใช่ว่าคนเฉพาะคนธรรมดานะถึงจะมองเห็นนะคนเมาก็ดีคนบ้า น, นี่ก็เห็นนะมีอาจารย์คนหนึ่งนะเล่าว่าชอบพาลูกชายเนี่ยไปทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ มีช่วงหนึ่งก็พาลูกชายไปไปบ้านสงเคราะห์คนชรานะบ้านสงเคราะห์คนชรานี่ก็มีคนแก่นี่ประเภทงํบเงือกเนี่ยเยอะเลยนะบางคนก็ป่วยบางคนก็ความจำเสือ่อมบางคนก็วิกฤตจลิตนะก็มีคราวหนึ่งเนะี่ยเห็นลุงคนหนึ่งนะกำลังขนขนแบกเก้าอี้ แบกเก้าอี้เดินออกไปที่สนามหญ้าอาจารย์ก็ถามว่าลุงจะไปไหนแกก็ตอบว่าจะเอาต้นไม้ไปปลูกเนี่ยต้นไม้ที่เห็นเห็นเน่ยนะฉันปลูกมากับมือทั้งนั้นแหละว่าแล้วแกก็นแบกเก้าอี้เดินไปที่สนามหญ้า อาจารย์คนนี้ต้องการที่จะกลมกลืนไปกับลุงคนนี้นะก็เลยแบกเก้าอี้ตามไปด้วยเดินตามหลังติดๆเลยลุงแกรู้แกก็เลยถามว่านี่ทันหลังกลับมาถามว่านี่นี่จะทำอะไรเนี่ยอาจารย์ก็บอกว่าก็จะแบกต้นไม้ไปปลูกตามลุงไงลุงแกก็เลยพูดขึ้นมาว่าจะบ้าหรือไงไอ้ที่ ที่เธอถือเนี่ยที่เธอแบกนี่มันต้นไม้ที่นเรามาเ ป, ป็นเก้าอี้ตัวเองแบกเก้าอี้นะแต่ไม่รู้ตัวนะแต่ไปว่าไปว่าอาจารย์เนี่ยว่าบ้าเพราะแบกเก้าอี้นะอันนี้แปลว่าอะไรแปลว่าไม่รู้ตัวเองเห็นว่าคนอื่นเนี่ยประหลาดนะที่แบกเก้าอี้เหมือนกับว่าจะไปปลูกต้นไม้แต่ตัวเองเนี่ยแบกเก้าอีะนะ้แท้ๆนะแล้วบอกจะปูกไปปลูกต้นไม้กับมองไม่เห็น คนบ้าเนี่ยนะเขาก็รู้เรื่องนะแต่เขารู้เรื่องเฉพาะไอ้สิ่งรอบตัวเขาเนาะเขารู้ว่าใครทําอะไรผิดปกติเนี่ยแต่เขาไม่สังเกตรหรือไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองเนี่ยผิดปกติอย่างไรบ้างนะคนที่เห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นนะแต่ว่าไม่เห็นตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าค่นไปทางบ้านนะ หรือว่าถ้าพูดให้คลุมคลุมก็คือว่าหลงนะหลงคนเนี่ยถ้าไม่รู้จักตัวเองเนี่ยก็เรียกว่าหลงนะไม่รู้ว่านิสัยใจคอเป็นอย่างไรพฤติกรรมบุคลิกตัวเองเป็นอย่างไรอันนี้เรกาก็หลงแล้วคนโกรธเนี่ยเขาไม่ค่อยรู้ตัวนะว่าตัวเองโกรธเพราะตอนนั้นเนี่ยเขากําลังหลงเขาเห็นแต่ความผิดพลาดของคนอื่นนะแล้ะพอหลงนี่แหละนะเวลาทุกข์เนี่ยก็เลยโทษคนอื่นว่าทําให้ตัวเองทุกข์ แต่ไม่ได้มองว่าเออมันเป็นที่ใจของตัวหรือเปล่าหรือเป็นพ่อตัวเองนะคนเราทุกข์ก็เพรเหตุ น, นี้เยอะนะก็คือมองไม่เห็นว่าสาเหตุมันมาจากใจของตัวเองไปแบกทุกข์เอาไว้แต่ก็ไปโทษคนนั้นคนนี้ว่าทําให้เราทุกข์นะที่จริงเนี่ยแม้กระทั่งคนที่คนที่แบกก้อนหินนะ แล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ดาก่าด่าก้อนหินว่าทําไมมันหนักทําไมมันทําไมมันหนักทำไมมันใหญ่อย่างงั้นเนะี่ยอันนี้ก็ไม่ต่างจางคนหลงนะเพราะว่าถ้ามันหนักจริงเนี่ยไปแบกมันทําไมเนี่ยไอ้ที่ผู้คนต่างๆเนี่ยทุกนะแล้วทุกเพราะว่าปัญหามันเยอะบน ว, ว่าปัญหามันเยอะภาระมาก อันนี้ก็ไม่ต่างจากคนที่แบกก้อนหินนะั้นแล้วก็ด่าก้อนหินว่าทำไมมึงหนักอย่างนี้นะแต่ไม่ถามตัวเองว่าแล้วทำไมเราไม่วางมันลงนะก้อนหินมันหนักอันนี้เป็นธรรมดาของมันอยู่แล้วจะไปบอกให้มันเบาเหมือนเหมือนนุ่นมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะสิ่งที่เราควรทำเนี่ยไม่ใช่ว่าด่ามันบ่นมันหรือว่าขอร้องให้มันเบาลงกลายเป็นนุ่น ถ้าเราทำงานเราก็โง่เนะี่ยสิ่งที่เราควรทาคือวางมางันลงซะนะแต่เพราะว่าไม่รู้ตัวไงนะอย่างที่หลวงพ่อชาพูดเนี่ยเวลาเวลาเจอหลุมนะแล้วเราเอามือล้วงเข้าไปในหลุมถ้าหากว่ามือเนี่ยล้วงไม่ถึงก้นหลุมนะร้อยท้งร้อยเราก็จะพูดว่าหลุมมันลึกแต่ไม่มีใครสักคนที่บอกว่าเป็นเพราะแขนเราสั้น คือเรามี น, น้ำนมที่จะโทษสิ่งภายนอกอยู่ตลอดเวลานะไม่ได้มองกลับมาที่ตัวเองเห็นความผิดของคนข้างนอกนะชัดเจนแต่ว่ามองไม่เห็นความผิดของตัวเองทั้งที่มันก็ถ้าหมั่นมองซักหน่อยก็จะเห็นว่ามันชัดเจนมากนะการมองต น, นสำคัญมากทีเดียวนะอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะบัณฑิตเนี่ยย่อมย่อมหมั่นมองตนอยู่เสมอ และเมื่อหมั่นมองตนมีปกติเพ่งพินิจ ก, ก็จะพ้นบ่วงแห่งมารก็คือพ้นทุกนั่นแหละแต่ว่าการมองตนนะบางทีไม่ต้องอาศัยการมองคนอื่นด้วยนะการมองคนอื่นก็จะช่วยทําให้มองเห็นตัวเองได้ง่ายเหมือนกันอเช่นเวลาเราพูดเนี่ยเราพูดไปพูดไปคนฟังที่หลับหมดเลยอันนี้ก็เป็นสัญญาณบอกว่าเรา อ, อาจจะพูดไม่ได้เรื่องอพูดน่าเบือ่อ นะบางทีเราการที่เราเห็นสีหน้าของคนอื่นเนี่ยหรือปฏิกิริย์ของคนอื่นมันก็ทําให้เราเห็นตัวเองนะเวลาเราพูดไปแล้วคนใส่ายหัวเนี่ยนะมาแสดงว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่เข้าท่านะดังั้นการรู้จักมองผู้อื่นเนี่ยมองภายนอกนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะที่ทําให้เราเห็นตัวเองที่จริงในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะ ที่บอกว่าให้เห็นกายในกายอยู่เป็นประจำเห็นเวทนาในเวทนาเป็นประจำเห็นจิตในจิตเป็นประจำเห็นธรรมในธรรมเป็นประจำเนี่ยในนี้มีการต่อเติมตอนท้ายๆนะของอทุกสติปัฏฐานนะว่าอย่างเช่นถ้าในเรื่องเห็นกายในกายท่านก็จะพูดว่าเนี่ยเห็นกายในกายภายในอยู่หนึ่งเนืองแล้วต่อมาก็บอกเห็นกายในกายภายนอกอยู่หนึ่งเนือง กายในกายภายในคือเราเนี่ยแหละคือกายของเรานั่นแหละส่วนกายในกายภายนอกก็คือกายของคนที่อยู่รอบตัวเรานในการที่เราเห็นสังเกตอักเห็นสังเกตร่างกายอากับกิริยาของคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นตัวเราเองได้เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราถ้าเรารู้เวทนาหรือเข้าใจเวทนาของ คนที่อยู่รอบตัวเรานะมันก็ทําให้เราเห็นเวทนาหรือรู้เวทนาในตัวเราได้เหมือนกันนะะนั้นถ้าเรามองภายนอกถ้าเรามองให้เป็นเนี่ยมันก็ทําให้เห็นตัวเองได้เพราะว่าคนข้างนอกหรือคนที่รอบตัวเราก็เหมือนกับกระจกนะที่สะท้อนให้เราเห็นตัวเองบางคนไม่หมั่นสังเกตเลยนะบางคนไม่สังเกตแล้วว่าผู้คนรอบข้างนี้เขาเขาเบื่อหน่ายเราอย่างไรบ้าง บางทีเราพูดเสียงดังบางทีเราเห็นแก่ตัวนะเพียงแค่สังเกตอากาบกิริยาของคนที่อยู่รอบข้างก็จะรู้ไ้เราทำตัวไม่น่ารักแต่คนหลายคนเนี่ยไม่สังเกตนะนึกถึงแต่ตัวเองตลอดเวลาพอไม่สังเกตปฏิกิริยาของคนรอบตัวเนี่ยก็เลยไม่รู้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีพฤติกรรมน่าเบื่อหน้าระอาอย่างไรบ้างนะอันนี้มันก็ไม่ถูกนะ การมองการมองข้างนอกเนี่ยถ้ามองเป็นนะไม่ใช่สง่งจิตออกนอกหรือว่าเพ่งโทษผู้อื่นนะแต่มองเพื่อจะเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นตัวเองเนี่ยอันนี้เป็นวิสัยของบัณฑิตนะรวมถึงการเปิดใจรับฟังนะคำตำหนิหรือว่าคำาวิจาร์ด้วยนะถ้าได้ฟังก็แล้วมองว่าเออเขากลังชี้ขุมทรัพย์นะ โอกาสที่เราจะเป็นบัณฑิตนะโอกาสที่เราจะ ไ, ได้พัฒนาตนนะก็จะมีมากขึ้นนะการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะแม้กระทั่งการเจริญสติมันก็ไม่ใช่จํากัดเพียงแค่ว่าให้มารู้กายรู้ใจของตัวเท่านั้นนะหรือว่าให้กลับมามองตนแต่พึ่แบบให้ว่าไม่มองคนอื่นเลยอันนั้นไม่ใช่นะต้องหมั่นมองคนอื่นด้วยนะหมั่นสังเกตปฏิกิริยาของคนอื่นนะ เพื่อจะได้มาช่วยให้รู้เท่าทันตัวเองถ้ามองไม่เป็นนะมันจะกลายเป็นการเพ่งโทษทั้งที่ตัวเองก็ทาผิดทำพลาดแต่มองไม่เห็นแต่ถ้ามองเป็นนะมันก็ทำให้เราเห็นว่าเออเรามีข้อที่ควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไรบ้างอันนี้ก็เป็นวิสัยของบัณฑิตนะที่ต้องฝึกตนอยู่เสมอ